เห็นกิเลสตั้งไหมจากที่เธอเดินมาได้รู้งเกตรว่าเวลาท่เดินมันมีการนไมรู้ที่วกเรงในลองเดินให้ดูเหมนไหมไม่รู้สึกไหมใจเราไม่เป็นปกติเราไปสับรวมมากกว่าปกติไม่ต้องสับรวมเดินใจแล้วใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไง ๋ยวไปดัดแปลงมัเมื่อกี้มันดัดแปลงรูอออกไหมทำให้สึมไม่นิดหนึ่งถ้าลองเดินนี่นี่ตกตรใจญ่แล้วสึกไหมใจขนาดนี้เหมือนตอนที่ยังไม่ได้เดินตรงนี้ปกติพอเริ่มเดินไม่ปกติอยาเินอีแล้วี้วอีกรู้เออสึกไหมใจเราไม่ธรรมดาแล้วไปกลับไปนั่งกั เตือย่างเนี้ยเดิไปแค่เนี้ยแล้วก็รู้สึกเอนเงนี้ยไม่ใช่เดินทำไปเรียบร้อยทํำไปเรียบร้อยกว่าความเป็นจริงเหลอแล้วรู้สึกไหมเออแต่เราลงไปนั่งเราลืมตัวเราเองแต่ลราเครรู้สึกบ่อยบ่อยเผลอก็ได้นะแต่อยากเหลอนานเผลอก็ได้มันเตรียะเผลอไปก่อนนะแล้วก็รู้ว่า ใช่ได้นะมาวันเดียวฝึกได้ขนาด น, นี้เก่งนะอะไรนะอ๋อเนี่เหลือที่จะไปหาสำแนักเรืนะ่อดีแล้วไปาตายหลงทางธรรมะนะไม่ได้มีไว้หาผลประโยชน์เฉพาะหน้าแค่นะธรรมะจริงๆนี่ช่วยเราให้สามารถอยู่กับโลกได้อย่างฉลาดอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่พึ่งพางสิ่งภายนอกนะเอววย์ด้ยินปรมอะไรไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยเท่านั้นศาสนาพุทธให้เกียรติกับมนุษที่สุดให้เราพึ่งตัวเองที่มาวันเดียวเรียนได้ขนาดนี้เกงนะมีบุญหรืเหลออีกแล้วรู้สึกไหมใจขณะดนี้ไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกไหมจงใจตั้งไหมนะนะเรื่งนี้ก็เรียกว่าลงมือลงปฏิบัติ หลงมีสองงานหลงไปเลยลึมเนื้ลืมตัวไปหลงปฏิบัติที่จงใจปฏิบัติแล้วไม้ทันรู้ทันว่ากํำลังจงใจอยู่แล้วหลงมีเด็กคนหนึ่งสิบเอ็ดตัวนะมันนิยามของความที่ใจเราไปจงใจทําอะไรบางอย่างแล้วไปเิ่งไว้มันนิยามบอกว่าเหลอแบบมีปัญญาเหลอเหมือนกันนะแต่มีปัญญาฉลาดรู้จับใจปกครองไว้แล้วจะมีความสุข แต่หลงเหมือนกันตอนนี้หลงนะไหมเมื่อกี้กนีน้ยกำลังไปคิดอยู่รู้สึกไหมตรงคิดคิดเนี่ยขนาดใดที่เรารู้เรื่องที่เราคิดนะขนาดนั้นเราจะลืมกายลืมใจขนาดนั้นนี่ก็หลงหรอกนี่ยามคําว่าหลงของลงพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าหลงไปนานๆเมื่อไรที่เราไม่รู้กายไม่รู้ใจหลวงพ่อเรียกว่าหลงทั้งหมดเลยเพราะอย่างนั้นตอนคิเนี่ยตอที่ยื่นไปปวดจิตมันแนบไลยกับการเคลื่อนไหว มันหลงเก่งเข้าไปในกายที่เคลื่อนไหวนะมันหลงเหมือนกันนะแต่หลงเก่งถ้าหลงไปคิดไปเลยหลงเผลอไป ค, อค่อยเปี่ยนนะักกะดีแล้วเราจะศึกษาเรื่องตัวเราเองในที่สุดเราจะสามารถอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขถ้าเราต้องการมากกว่นิพพานเราก็ออกจากโลกได้อย่างสบายไม่ใช่ค่ายแพ้ยับเยินแล้วก็หนีออกจากโลกไม่ใช่นะ เออเกรงหรือว่าเกรงใชได้อย่างเนี้ยเรียกว่าหลงแนะแค่นี้หลงเพราะเเรียกว่าหลงนะดีแล้วที่ทำหนึ่งใช้ได้ละเพราะว่าเวลาเกลรงขึ้นมาเราก็รู้ทันรู้สึกไหมใจเรา็ค่ตื่นขึ้นมาตืนขึ้นมาใจเราตอนนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วดูออกไหมนี่แหละดีแล้วใชาได้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทําอะไรเรียกว่าหลงไปคิดหลงไปคิด ขณะที่นึกถึงคาพูดหลวงพ่อลืมกายลืมใจใไปเลยนะเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจนะเมื่อนั้นหลงไปเมื่อไหร่เื่งกายเพ่งใจเมื่อหลงเพ่งไปเจ็บใจลอยไปแล้วมีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อไหมไม่มีก็ ส, ส่งต่อเผลอบ่อยดีอย่าเผลอนาน <c oughs> นานไหมเผลอบ่อยเผลอบ่อยดีนี่เผลอได้ชั่วโมงละร้อยครั้งขึ้นไปนะดีนะ เหลือ้ได้ชั่วโมงหนึ่งร้อยครั้งขึ้นไปยิ่งด <N> ีในก็พักผ่อนบ้างมีแรงแล้วก็มาดูใหม่กรรมฐานเนี่เป็นงานที่ไม่รีบร้อนนะเวอ่นะ์สี่จำไปนะเป็นสี่เบอร์หนึ่งุพวกพี่พุ้มเจออกจากโลกมาแล้วจะรีบจะเสียดแล้วจงจิตอย่างไรพกเนี่าานยกรรมฐานไม่ใช่งานที่จะรีบรีบทำให้เสร็จเสร็จไป ต้องตั้งใจไว้นะกรรมฐานเป็นงานที่เราทำกันทั้งชีวิตเลยเราจะปฏิบัติทั้งชีวิตสามารถทำไมให้ทํำทั้งชีวิตนะไม่ต้องรีบร้อนเนี่แค่เรามีสติก็มีความสุขละ้ะมันจะเดือดร้อนอะไรนักหนามีสติก็มีความสุขอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆส่วนคุณธรรมเบื้องสูงทั้งหลายก็ตามมาเองอ่ะถ้ามันยังไม่เกิดมันก็ไม่รีบร้อนนะมีสติอยู่กับปัจจุบันก็มีความสุขไปเรื่อยๆ การปฏิบัติไม่ใช่เรื่องที่ลําบากเพราะฉะนั้นเราทําได้การชีวิตนะไม่ได้รู้สึกว่าลําบากอะไรหลวงข้อปฏิบัติทํามหลงพ่อรู้สึกสนุกที่สุดเลยเราได้เรียนรู้ตัวเองนะสนุกนะเรียนรู้ทุกวันทุกวันมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วเข้าใจจนแจ่มแจ้งกค่อยปล่อยค่อยวางไปงนีการปฏิบัติไม่รีบร้อนไม่ใช่รีบรีบรีบจะทำไม่เสร็จอี่างพิแอนะ นี่อาจารเจอสมาใหม่ๆนะบอกเลยว่าจะต้องสามเดือนจะต้องได้โสดานี่เกือบสามสิบปีแล้วนะยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้ก็รีบรีบร้บรอนๆจะทำนะคนเรานะลงรีบทำงานนะรุยรุยรุ ย, ร ย, รยมันมีแรงทำได้แต่เดียวเดียวแต่ถ้าเราทำของเราไปเรื่อยๆนะเหนื่อยเราก็หยุดพักหยุดพักไม่ใช่ไปพักอย่างโลบๆนะ ถ้าอยู่กับการทาความสงบใจไหว้พระสวดมนต์อะไรเงี้ยหรือมาฟังเทศฟังธรรมบ้างให้จิตใจมีสุขได้พักผนะ่อนแล้วมีความสุขขึ้นมาแล้วมาดูใหม่มาคอยรู้กายมาค่อยรู้ใจรู้ไปทั้งชีวิตแหละถ้าตั้งใจว่าเราจะรู้ไปเรื่อยเรื่อยเส้นทางเดินมันจะสั้นมากแต่ถ้าคิดว่าจะเอาให้ได้นะยาวไม่มีที่สิ้นสุดเลยการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นเอง ใจนี้ใจนี้ไม่เที่ยงใจนี้ใจนี้เป็นทุกข์ใจนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงนั้นเราก็ดูของจริงไปเรื่อยดูกายดูใจว่าจริงๆมันเป็นยังไงไม่ไปดัดแปลงมันถ้าไปดัดแปลงมันทําป็นถึงถึงหรือ ม, มันไม่มีของจริงให้ดูแล้วเราก็รู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ไปเรื่อยเร่อยเส้นทางนี้ไม่ได้ลำบากอะไรเลยทุกวันที่ปฏิบัติจะมีแต่ความสุขนะ แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่เราหลงตามโลกไปนะชีวิตจะรุ่มรุ่มดความทุกข์เปลี่ยนแทงเราทุกวันทุกวันไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นการปฏิบัติไม่ต้องรีบร้อนทำํำในทั้งชาตินี่แหละนี่ไม่ใช่หลวง พ, พ่อผู้เนะล็กนะหลวงปู่เทียสอนอการเคยปฏิบัตนะินั้นไม่ต้องรีบร้อนนะแต่ไม่ขี้เกียจ น, นะไม่รีบร้อนก็เราทําทำในทั้งชีวิตเมื่อก่นเทศเรื่องนี้แล้วมีคนจําไปติบบอกหลวงก็พ่อมรตรี บอกหลวงพ่อประโมทบอกการปฏิบัติทั้งทาทั้งชีวิตทั้งตกเก่ามันต้องอย่างนี้สิถ้าจะรีบรีบร้อนๆ้อนนะกล่าวว่าเท่านี้จะบรรลุเท่านี้จะบรรลุไม่บรรลุหรอกก็อะไรใจให้เป็นกลางใจปลุกแต่กิเลสกลอบนําำเอาเพราะงั้นทุกวันนะเราก็ไปรู้ไปดูใจของเรารู้บ้างเผลอบ้างไม่ว่ามันนะไม่ใช่ว่าห้ามเผลอนะเผลอก็เป็นความจริงของเราใจมันยังเผลอนี่เผลอก็เป็นความจริงแหละ ก็เผลอแล้วก็รู้เอาเผลอแล้วก็รู้ว่าวันหนึ่งจะเผลอได้หลายพันสังยิ่งเยอะยิ่งดีควารู้อยู่ในอารมณ์ไม่เลยอยากนั้คือธรรมดารย์เนี่ยเ้าออจิตเนี่ยนะมันรู้อารมณ์ได้สั้งและอย่างเดียวจิตนั้นมันรู้อารมณ์ได้สั้งและอย่างเดียวในขณะนั้นถ้ามันไปดูอย่างอื่นเช่นมันมาดูจิตอยู่เนี่ยการกระทบทางกายเนี่ยไม่ชัดเจน เป็นปกติเป็นอย่างนั้นแหละมันอย่างเวลานั่งฟังอาจมาพูดรู้สึกไหมเห็นหน้าตัมมาไม่ชัดรู้สึกไหมเห็นแต่ไม่ชัดหรือบอกไหมเนี่ยปฏิหารนะ mm hmm. ไม่มีใครเห็นหน้าตัมมาชาัดหรอก mm hmm. เห็นได้ชั่วขณะจิตเท่านั้นเลยเนี่ยก็เลือ mm hmm. เ่อนๆไปถ้าไปดูหมาก็จะรู้ว่าหมาก็ทําปฏิหารอย่างนี้ได้คือจริง hmm. ๆแล้วจิตเนี่ยรับอารมณ์ได้ตั้งแต่อย่างเดียว เพราะงั้นทักษะนั้นเรามาดูตายดูใจใเราอยู่เนี่ยมือไปกระทบอะไรเนี่ยเราไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งไว้อันนี้นเป็นปกิจิตนะหรืออย่างบางคนไปทําฟันเนี่ยหมอโดยชาไปทําฟันพอไปทำฟันเนี่ยจิตมันมาดูขันห้านี่กระจายแรงมันไม่สนใจเรื่องเจ็บปวดแล้วนะหรือเวลาเราทําฟันนะโอ้มันเจ็บมากบาดเสี่ยวนะเอจิตไปไว้ที่ปวดไปเท้าไม่เสี่ยวแล้ว จิตน <culos ke lanes choice> um, ี่รู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวดีแล้วที่เห็นว่ามันชัดบ้างไม่ชัดบ้างอย่าไปอยากให้ชัดชัดนะรู้ไปเท่าที่เเป็นมันเ็น่ององใจเวลาในารู้สาเดเอออย่าตกใจตกอ๊ะเวลากระมังร้อนๆอย่าไปทาความรู้สึกว่าไม่มีไม่ร้อนนะเออ ถ้าอย่างนันเลยอย่าไปอย่าไปลองกับน้ำร้อนไม่ได้ทำไปเองแล้ราวังไปก็แล้วกันเดี๋ยวมันรั่วากาว็ต้องมีสติมีปัญญานะอย่เราทาใจของเรานิ่งเลยจับน้ำร้อนก็จับได้นะแต่มือคลองแล้วก็ไปจับมันทาไมเราก็ไม่จับมันเป็นน้ำเปลง่ยร้อนเป็นไปเป็นร้มันถอยห่างไม่เป็นไรมันถอยก็ดีแล้ว ต่อไปเนี่ยใจจะถอยออกจากโลกเลยอารมณ์ทั้งหลายเหมือนอยู่ข้างนอกนู่นความตุกความทุกข์มันอยู่ไกลๆกูตอนกูตอน้หมันอยู่ไกลๆเย็นร้อนหนาแข็งอยู่ห้างนาไม่ใช่แต่มันตั้งมั่นขึ้นแล้วสเสีียรมันก็เข้าไปรวมตัวเดี๋ยวมันก็แยกกันเห็นไหมมันจะรวมมันก็รวมเข้าไปเองมันจะแยกมันก็แยกของมันเองรู้ออกไหมใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา มันทํางานของมันเองนี่เรารู้ไปเรื่อยรู้สภาวะเรื่อยในที่สุดปัญญามันแจ้งจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเนอะมันทํางานเองมันจะไหล้าไปเกาะมันก็ไปนะมันจะแยกมันก็แยกเองนะเกี่ยวก็ได้ถ้าเผลอไปมันก็ไม่รู้ในสิ่งที่กำลังทาอยู่แต่ทั้งๆที่รู้เนี่ยบางทีจิตมันถอยออกมาก็ได้มีหลายแบบต้าเพื่อชีเหตุ มาจากไหนกันเด็กๆสามคนเนี้ยไปฝึกมาจากไหนก็ที่บ้านทุกอานาตพิธานะคะไปเรียนที่ไหนเนียที่โลกมั น, นโลกมาเยอะนะับประวนันการเป็นโลกแฟนก็มาอนาปนสตินั้นเป็นสมถานที่ทำยากมากเวลาทำแล้วมักจะหลงไปเป็นสมถง่าย อานาพนสตีจะเป็นสารที่ละเอียดเวลาเราไปรู้ลมหายใจใจมักจะไหลไก็ไปเกาะนิ่งๆอยู่ลมหายใจงั้นเวลาเราทําอานาพนัสตีจิตใจพลิกแปลงได้หลายแบบเช่นเรารู้ลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ใจลอยใจเคยเป็นไหมได้ที น, นี้ขาดสติไปแล้วไม่มีสติเลยไม่มีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอย่างหนึ่งเรารู้อยู่ที่ลมหายใจนะจิตเราแนบไปไว้ที่ลมหายใจ ลมเคลื่อนไปเนี้ยนะมันตามรู้ตามเห็นไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้บังคับอันนี้จะได้สมรรถนะอีกงานหนึ่งมันเห็นว่ารูปนี้กําลังหายใจอยู่ใจเป็นแค่คนดูเห็นว่าร่างกายนี้หายใจนะเห็นรูปนี้เคลื่อนไหวไอ้ตัวกนี้ก็เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นต้นธาหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นธาตุที่ไหลเข้าไหลออกเห็นจิตใจเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้หายใจไปแบบนี่ไปขึ้นนี่ปรัชนาในการรู้ตาย ไม่เหมือนกับการเข้าไปเกอะที่ลมนะเกาะที่ลงเป็นสมถะถ้าเห็นร่างกายหายใจแล้วใจเป็นแค่คนดูอยัอนนี้จะทางนิปัสนนา้กายอีกอันหนึ่งหายใจไปแล้วจิตใจก็พุงพ่งต้านไปรู้วู่พงต้านจิตสงบรู้ว่าสงบจิตเป็นสุกรู้ว่าสุกจิตเป็นทุกรู้ว่าทุกไม่หายใจแล้วมาดูจิตเพราะฉะนั้นอนาสนาสติจะพลิกแขลงได้เยอะแยะเลยในแต่ละษณะแต่ละษณะบางทีก็เป็นสมถะบางทีก็เป็นนิปัสนนามบางทีหลงไป ไม่มีสาสนาไม่มีวิปัสสนาอันนี้แยกได้ไหมที่หลวงพ่อพูดเนี้ยเราันั่งคือไม่ไะลคือกรสึนะาันน่นั่งให้หลวงพ่อดูสินั่งให้เหมือนที่เคยนั่งจริงๆริงลืมหลวงพ่อไปนะไม่ต้องสนใจหลวงพ่อนั่งอย่างที่เคยทามีเคล็ดลับนิดนึงนะปรับนิดนึงเมื่อกี้ใจเริ่มตึงแล้ว เวลาทำอานาปนสติแล um e. mm. ้วหลวงพ่อแนะนำนะหายใจออกก่อนอย่าให้ใจเข้าก่อนถ้าหายใจเข้าก่อนนะใจจะแข็งแข็งถ้าหายใจออกก่อนนะใจจะผ่อนคลายเทคนิคนี้เรียนมาจากการทำอนาปนสติยี่สิบสองปีตั้งแต่เจ็ดปวกรู้สึกมไหมใจเราแฝงไปแฝงมาให้รู้ว่าใจแฝงไปแฝงมาคือทำอนาปนสติแล้วจะมุ่งไปสู่ฌานเนี้ยไม่สําเร็จ ก็ใจชอบคิดเพราะฉะนั้นเราอาศัยการรู้ลมหายใจเป็นพื้นฐานเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นนะแล้วก็ค่อยรู้ทันใจเองรู้สึกไหมพุ่งขี้ใจมันตายสายตัดให้รู้ทันใจที่สายไปเรื่อยๆพุคงขี้ก็จะสายสักพักหนึงน่งหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยให้รู้ทันว่าใจหนีไปคิดไม่ใช่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรนะให้แค่รู้ว่ามันหนีไปคิดคิดเรื่องอะไรเป็นอารมณ์ปัญญาเป็นสมมติปัญญัติไม่มีประโยชน์อะไร แต่ถ้ารู้ว่าจิตหรจิตเนี่ยจะทำมิปัสสนาได้เออล้รู้สึกไหมตอนที่ขยับตัวคลืมนคลื่นคือรู้วลาที่มีสภาวะผ่านมาค่ะจะสรางเ้หาความริงและหน้าที่ค่าอไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้แล้วเกิดสงสัยว่าให้รู้หรือไม่รู้นะรู้ถูกหรือไม่ถูกนะให้รู้สภาวะปัจจุบันเลยคือกาลังสงสัย สถานะที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตทั้งหมดแล้วจบไปแล้วไปหลงไตรควนในอดีตจริ้งมันเป็นเลยรู้ถูกหรือรู้ผิดไม่สําคัญนะรู้โลกปัจจุบันกันเดี๋ยวมันกลุ่มเองมีปีกิดแล้วทราบไหมเห็นไหมใจเดี๋ยวก็ฟังหลวงพ่อนิดเดียวมองหน้าหลวงพ่อนหน่อยหนึ่งฟังนิดนึงแล้วก็หนีปีกิดต่อไปนี้นะใจวิ่งไปฟังก็รู้ใจวิ่งไปคิดก็รู้ใจวิ่งไปคิดอีกแล้ว ร, ร, รู้สึกไหมเออเนี่ยให้คอยรู้อย่างนี้นะ แลทุกวันก็นั่งหายใจไปอย่าเลิกหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วก็คไปรู้ทันใจที่มันทํางานต้องซ้อมนะทุกวันซ้อมไว้อย่างเนี้ยก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์หรือตื่นนอนมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิหายใจรู้รู้ใจที่เปลี่ยนแปลงไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจเป็นนิ่งๆก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ก็รู้ดูอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดในชีวิตประจํำวันก็เราการหัด ดูอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตจาสภาวะได้แม่นเสร็จแล้วสติจะเกิดเองเดี๋ยวนะผมขอขอโทษนะเบอริเอดหลงแนละ้วสองคนนี้หันไปดูเขาเราหันไปดูเขาแล้วหลงรู้สึกไหมเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองเนี่ยหนี่ปคิดแล้วรู้สึกไหมร้สึนเ้นเออตื่นเต้นได้รู้ว่าตื่นเนต้นไปรู้โลกปัจจุ บ, บันไปได้เนี อ่าให้คุยได้แล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเอาซีดีไปฟังเนาะที่สำคัญคือหัดรูส้สภาวธนะหัดรู้ไปกรรมฐานเนี่ยไม่ต้องเรียนว่าเมื่อไหร่จะปฏิบัติยังไงจะถูกปฏิบัติยังไงจะดีไม่ต้องไปนึกถึงมันหรอกลื่อมก็ว่าปฏิบัติเสร็จช่ แล้วก็หัดเรียนรู้สภาวะไปไเห็นไหมใจเรามานั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสลับไปเรื่อยๆดูออกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปแล้วหลงไปคิดแล้วเยแต่ไปคิดแล้วตอเ น, นี้ยเห็นไหมใจมันไหลเลยไหลไปคิด<ม>หัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะนะสติจะเกิดในไหนก็มาได้ครั้งเดียวในหนึ่งปีมาได้หนึ่งครั้ง เรียนสภาวะอย่างเดียวก็พอแล้ให้รู้ทันจิตที่หลงไปคิดถ้ารู้จักจิตที่หลงคิดนี่นะปฏิบัติได้ละถ้าจิตที่หลงคิดเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดเลยตอนนี้จิตสงสัยทราบไหมจิตมีความสงสัยเกิดขึ้นมองเห็นไหมไม่เห็นไม่ดูนิ่งแต่คิดมันก็ไม่เห็นซิไม่เป็นไรเด็กหลวงพ่อชิด ฉันน้ำรู้สึกไหมตอนช่วงที่หลวงพ่อฉันน้ําเนี่ยจิตใจเราทํางานไปหลายแบบอจะดุกระดิกกระตุกกระดิกเป็นื่อยรู้สึกไหมนั่นแหละให้คอรู้ทันเลยเนี้ยรู้ทันจิตใจที่มันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงมันทํางานทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายดูมันไปมันกระตุกกระดิกกระตุกกระดิกส่ลองต่อไปรู้สึกไหมรู้ตัวเองนะ การส่งก็ลืมตอนมองหน้าเขาก็ลืมเห็นอหลืมตัวเองอย่างนี้เรียกว่าหลงนะเรียกว่าขาดสติเนี่ยใจลอยมาหาหลวงพ่อทาไมอืมอืมไม่ต้องเข้าใจหรอกคือธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังมีหลวงพ่อพูดซื่อๆเลยจนะไม่มีใครรู้ธรรมะด้วยการฝังธรรมารู้ได้ดวิธีเดีย ว, วคือเข้าไปเห็นของจริงของจริงคือกายกับใจเราเนี่ย รู้สึกไหมใจเราทุกวันไม่เหมือนกันจิตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันบางวันตื่นขึ้นมาสดชื่นบางวันตื่นขึ้นมาแห้งแล้งบางวันสดใสบางวันหงุดหงิดรู้สึกไหมแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่เราเวลาก็ไม่เหมือนกันในหนึ่งวันวันเดียวกันนะเช้าสายไปเย็นเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันนึกออกไหมอย่างบางบางวันตื่นเช้ามาสดชื่นนะพอออกจากบ้านเจอรถติดเศร้าหงุดหงิด มันไปถึงที่ท <through> ํางานหรือที่เรียนหนังสือดีใจเจอเพื่อนคุยกันสนุกสนุกไปเดี๋ยวเดียวมันขัดคอเกิดเป็นโมโหแต่เราจะเปลี่ยนนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเราค่อยรู้ไปด้วยขณะนี้จิตใจเรารู้สึกยังไงรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภโกรธหลงสงสัยโมโหอิจฉาควารู้สึกอะไรกําลังเกิดในใจเราพอยู่ไปเรื่อยเรยรู้ไปเรื่อยเราจะเห็นในใจของเราที่เปลี่ยนแปลงทั้งวัน ดูเพื่อให้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ดูเพื่อให้นิ่งนะยังไม่ทีย่ยกใจแอบไปคิดสั้นไหมก่อนจะขยักหน้าไม่ทันได้ไหมเนี่ยเหลออีกแล้วรู้สึกไหมตอที่ขยับเท้าเนี่ยเหมือนจะหายไปจากโลกชัว่วขณะเพิ่งไรงงแล้วงงเอไว้ก่อนมาทีแรกต้องงงอย่างนี้แหละปกติจะต้องเรียนสองสามครั้งถึงจะรู้เรื่อง ต่างลงพ้อเนี่ยถ้าสองสาครั้งนะั้นจะรู้เรื่องถ้ารู้เรื่องถ้าเข้าใจได้นะสติจะเกิดเองนะต่อไปนี้สติเกิดเองนะสมาธิเกิดเองจิตตั้งมั่นเองแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเออมันไม่มีแรงไม่ค่อยมีไรแต่ไม่ห้ามมันรู้อย่างที่มันเป็น อย่าอยากให้ตั้งมัน่นอย่าอยากให้ดนะีรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ไปได้ๆมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ตั้งมั่นก็เรื่องของมันใจถึงๆนะัดแล้ง่ายดีรักหนุนาเต็มต้อยนะมึงดีเด้อพ่องโีสาดีดรูรีของีลีดรดี เช่นเราอยากสงบมันชอบหนีไปคิดเรื่องลำพานมนะันราคาก็เป็นรูปของโมหะต้องลงก่อนลงไปคิดๆนะลงไปดีแล้วจิตรู้อย่างทิ่เขาเป็นไปเรือ่อยๆหนูนาบ้างไหตอนนี้กับเมื่อเช้าต่างกันไหมตอนนี้สรู้ไม่าสึกตึงมากเย ลูกเธอแล้วเธอแล้วเธอแล้วรู้สึกไหมที่กำลังพูดเนี่ยเข้าขั้นเธอหรือนาดูออกไหมมันชักไปแล้วจะไปเรื่อยนะเออให้รู้นะจิดเลื่อนลอยแล้วอืไม่ได้รู้สภาวะไปดีแล้วคุณแม่สอนให้ดีแล้วคุณแม่มาราชเกินเป็นไงคุยไรคุยกันบ้างนานๆอะเยี่ยมจริ เดินนะเข้าเตะยืดหนักเดินเมื่อธรรมดาใครรู้ทันเลยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดพอคิดน้ก็เกิดสุขเกิดุเกิดนกน ถ้าไม่หลงไปคิดนะก็ไม่เกิดสุดสนักสุดสนอะไรอาศัยการหลงหลงไปคิดเนี่ยแหละความหลงเกิดขึ้นก่อนร า, า, ราคะโกระก็เลยเกิดอุมาลาโมเห็นไหมมันทำงานของมันเองนั่นแหละดูอย่างนั้นนะเห็นไหมมันทำงานทั้งวันทั้งคืนการที่เราเห็นว่ามันทำงานทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละมันแสดงอ น, นิจจังให้ดูวเวทีย์การที่เราเห็นว่ามันทำงานได้ดีนั่นแหละมันแสดงอนัตตาให้ดู วันนึ่งใจมันจะยอมรับนะเวลาที่ใจยอมรับมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิัวเองเลยแล้วมันจะเกิดการตัดสั่งยวดขึ้นหลังจากนั้นเวลาเราดูลงมาในกายใน ใ, นใจจะไม่เห็นตัวเราจะว่างเปล่าแล้วก็เฝ้ารู้กายรู้ ใ, ใจต่อไปยังทั้งเป็นวางกายได้บทความรักในกายบทความรักในรูปเสีกลิ่นรสกลิ่นรสกฏสัพะ เมื่อมันไม่รักในรูปเสียงกลิ่โนรสสัตว้ามันก็จะไม่ชังในรูปเสียงกลิ่โนรสสัตวความรักความชังก็ดับไปรอบๆกัแล้วเราพอเฝ้ารู้อยู่ที่จิตต่อไปอีกมนจิตมันเห็นจิตแก่มแจ้บางนคนเห็นว่าไม่เที่ยงบางคนเห็นปุ๊กนะบางคนเห็นว่าเป็นอ น, นัตตาระหว่างเมื่อไร่จิตวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้ในที่สุดของทุกอยู่ตรงนั้นเองก็ตัวจิตนี่แหละตัวทุก ตัวขันนี้แหลตัวทุกข์ถ้าเรายังเห็นว่าขันนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจะไม่วา่าแต่จะดินนด้นรนหาความสุขิ้นรนหนีความทุกข์แต่เราเรียนรู้ไปเรื่อยเป็นมันยังเราเห็นขันนี้ตัวทุกข์ล้วนเลยโดยเะพาะจิตนี้ตัวทุกข์ล้วนถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆได้เนะี่จะขาดสะพั่นตรงนั้นนะีนดน่ดี นั่นแหละดีแล้วนะที่ไปบ่วงคุณมาราแล้วนะ่วงว่าจะไปติดไอ้ภกอันนี้เลยเพราะว่าลูกหลานมันยุ่งมากพอเราเหนื่อยนะเราไม่อยากคุยกับมันเลยแต่ไม่กล้าไล่มนงสงสารมตาแผ๋วแล้วก็หลบคอบลงมันโลกเป็นนายก็่ชาเนืองาทำเป็นฟังฟังไว้ <c oughs> ใใแล้ใจเราเข้าไปค้างค้างไว้ทีงไหน วิชจริงๆเนี่ยตัวรากตัวเงาของปัญหาทั้งหมดเลยเอาวิชาคือความไม่รู้อริยสัจความไม่รู้อริยสัจข้อแรกเลยความไม่รู้ทุกข์คือเราไม่เห็นหบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์เราเห็นว่าขันห้าอย่างกายเนี่ยกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างการที่เราเห็นอย่างนี้เห็นด้วยอาวิชาแต่ถ้าเราตามรู้กายเนินเนินมาเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย จิตนี้ทุกล้วนๆมันทํางานหนักทั้งวันทั้งคืนมันทุกนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นพุกมันทํางานทั้งวันทั้งคืนมันจะสุกได้ยังไงไม่เคยได้พักผ่อนเลยแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราที่มันทํางานของมันเองมันทนอยู่ในภาวะใดหนึ่งไม่ได้จับอันนี้เดี๋ยวนี้ไปนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าพเราเห็นความจริงกระทั่งว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยแล้วก็หมดความยึดถือในตัวมันได้ เอาวิชาด so well, so well in ูละเราเห็นความจริงเห็นความจริงแล้วขันห้านี้ไม่ใช่เราขันห้านี้เป็นตัวทุกข์นอกจากเป็นตัวทุกข์แล้วขันห้ายังเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยเอาเราวางขันห้าโดยเฉพาะวางจิตบางจิตนี้จะเป็นขันตัวสุดท้ายที่จะปล่อยได้แต่หวงที่สุดคือจิตเอาวางจิตได้เนี่ยก็เท่ากับเราวางข้อทุกข์ลงไปแล้วก็วางที่ตั้งของความทุกข์ลงไปด้วยอันนี้จิตจะเป็นอิสระมีความสุขล้วนๆนะ ความสุขจะเดิน e ุขลังนี้มาเรื่อยๆมีสิ่งใดท่านได้ได้ขึ้นมาไม่ต้องรู้อะไรเลใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราก็ไม่ตั้งมั่น เกิดใจแผ่งมาจิดไม่มีเรื่องมีแรงไม่รู้สภาวะปล่อยๆต้องซ้อมนะทุกวันต้องแบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบจำเป็นนะบางคนคิดจะ เ, เจริญสติในชีวิตประจาวันรวดไปเลยไม่ค่อยมีแรงพอหรอกเพราะฉะนั้นต้องมีรูปแบบเป็นการฝึกซ้อมอย่าง ต, ตอนเย็นๆค้าข้ามไว้พระสวดมนตํา ส, นนสมาธิเดินจงกรมวันไหนใจฟุ้งมากไม่มีเรื่องมีแรงทาสมถะ ให้ใจไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวมีความตุกมีกําลังขึ้นมาวันไหนมีกําลังดีอยู่แล้วไว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเรีนโจงโปรตหัดดูสภาวะกันารที่เราหัดดูสภาวะบ่อยๆมันจะทําให้จิตจําสภาวะแม่นแล้วสติเกิดเร็วเหมือนนักมวยต้องซ้อมโชคโชคลมชคกระสอบอะไรต้องโชคทุกวันวันไหนไม่ชชคนะอีกวันหนึ่งชักฝืดๆแล้วโชกไม่ออกนักปฏิบัติก็เหมือนกันต้องซ้อม มีรูปแบบไว้อันหนึ่งจะพุดโตก็ได้จะหายใจก็ได้จะดูท้องคลองยุบก็ได้ดูอิริยาบถสี่ก็ได้ทําจังหวะเคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวร่างกายอะไรก็ได้เนี่จะมาดูเวทนาดูจิตอะไรก็ได้ทุก อ, อย่างให้มีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ไว้อันหวิหารธรรมเป็นบ้านแล้วพอใจเราเคลื่อนไปจากบ้านหลังนี้เราก็รู้ทันปกติใจมันจะหนีไปเรื่อยๆไปดฉะนั้เนเราก็ต้องมีอารมณ์อันึงเป็นวิหารธรรม คือว่าอันนี้เป็นวิหาราธรร ม, มก็มีสองแบบแบบหนึ่งให้ใจเราเนี่ยไม่มีไปที่อื่นน้อมใจให้ปไปเกาไว้ที่เดียวอันนี้จะได้สมถะอีกอันหนึ่งเราตั้งขึ้นมาตั้งอารมณ์ไว้เนี่ยแล้วเรารู้ทันจิตจิตไหลไปที่อารมณ์ก็รู้จิตหมีไปที่อื่นก็รู้เราต้องการรู้ทันจิตที่นี้เป็นแค่ตัวตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นเครื่องชี้เอะไรว่าวจิตมันขยับไป ย, ยื่นไปยไง อย่างนี้เป็นการฝึกซ้อมดูสภาวะ ใ, าใช่ตั้งเป้าหลอกใช่ตั้งเป้าหลอกไว้อย่าไปหลงเกาะเป้านี้รูปเดียวเลยนักปฏิบัติเกือบร้อยลร้อยไปกาะเป้านิ่งๆเกือบทั้งหมดอลุกสํานักเลยแต่ทั่งํานักที่บอกว่าทํำวิปัสสนาล้วนๆนะั้นถ้าดูจิตเป็นนั่นจะรู้เลยติดสมถะแท้ทั้งสํานักนักสง่า <Okay. S 1> ดีแล้วนี่ เพราะว่าความจริงก็คือจิตใจทํางานทั้งวันการที่เราเห็นว่ามันทํางานทั้งวันมันไม่เที่ยงหรือออกเที่ยงรู้สึกไหมมันทําเองทาได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นสภาวะเกิดดับเกิดดับหุน เ, นเรียนเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถือจึดหนึ่ ง, งใจมันจะยอมรับความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะมันทํางานได้เองถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราได้ข้อสดาบันะ มีอะไรเป็นเราในในโลกนี้มีแต่ทันท่าเขาทํางานของเขาเองดีแล้วดีแล้วไม่ไม่ได้ยินอีกแล้ ว, ลวเออเราจะพิกซ้ายพลิกขวาเรารู้หมดเลยเป็นธรรมดานะ ส, สติเรามีกําลังมากามก็นั่งไม่เลิกสมาธิก็ไม่จริ้ง หลยคนนะไปติดบอกว่าจะไม่เอาสมถะไม่เอาสมถะไม่ได้นะแล้วพระพุทธเจ้าสอนบอกธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสนาแต่ว่าต้องเจริญด้วยปัญญายิ่งเวลานี้ควรทําสมถะก็ทำเวลานี้ควรทําวิปัสนาเขาทำไม่ใช่ปฏิเสธสมถะหรือเอาวิปัสนาอย่างเดียว อีกพวกหนึ่งจะเอาแต่สมาธาย่างเดียวแล้วคิดว่ามันจะเกิดวิปัสสนาเองนี่สุดตรงอยู่สองข้างนะไม่เป็นหรอกทําสมาธิแล้วไม่ได้เกิดวิปัสสนาเองเหตุของสมาธิกับเหตุของวิปัสสนาโบรา น, ก, านกันใช่รู้สึกไหมชีวิตมีความสุขมากขึ้นแต่มองอีกมุมหนึ่งรู้สึกไหมโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้วนเเเเอออยยย่างนนนัั้ก็ไดออ ไ, ไดปีล เห็นโลกทั้งโลกนี้แหละกับเพื่อนไหวอยู่องดีแล้วดีแล้วตอนนายอยู่ใจ้ถูกต้องดีงามนะทับตรงต่อไปรู้ขึ้นเย่หมค่นช่างมีั้สึกรู้สึกรู้สึกไหมจิตจิตเราฟุ้งไปแล้วการที่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยลืมไปเลยลงไปใช่ไหมใช่ไหมจิตเราขนาดนี้มีโมหะนิดๆตดรู้ไหมมีความมัว ม alloy, money, money, Israeli, sozial, haven, ีโมหะแทกอยู่เราก็รู้ทันหัรู้สภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปถ้ไปอะไรแปลกปอมเข้ามานี้หนึ่งมเห็นมดเลยจิตก็ไม่ถูกหลอกไม่ถูกย้อมเป็นอิสระนะาษาอะไรนะไม่มากหรืน้อยน้อยกว่าคุณผู้หญิงอมีชื่วงเยยอมแลอวทิ้งาทิ้งขาทิ้งห อะไรบ้างไม่ได้ปีมือตกเราไม่สนใจคําว่าเจริญหรือคาว่าเสื่อมนะคําว่าเจริญหรือเสื่อมเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตใหญ่แต่เดิมสติเกิดบ่อยตอนนี้สติเกิดน้อยเราบอกว่าเสื่อมหรือปีมือตกเมื่อก่อนสติไม่ค่อยเกิดเดี๋ยวนี้เกิดบ่อยเราบอกปีม่งขึ้นนี่เกิดจากการเปรียบเทียบ ฉะนั้นเราไม่สนใจเรื่องคำว่าเจริญหรือคำว่าเสื่อมเราสนใจแต่คำว่าเกิดกระดับเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับช่วงนี้กุศลเกิดบ่อยกุศลก็ดับบ่อยช่วงนี้อกกุศลเกิดบ่อยอ้ากกุศลก็ดับบ่อยเสมอภาคกันนะเพราะการปฏิบัติเนี่ยถ้ามุ่งเอาดีช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยกิเลสเยอะเราก็ว่าเสื่อมเราไม่ได้มุ่งเอาดีเรามุ่งเอาความจริง จิตที่ดีทุกดวงเลยเกิดแล้วดับจิตที่แย่ทุกดวง เ, เกิดแล้วดับเรียนเพให้เห็นตรงนี้แล้วไม่มีคำว่าจะเกิดจะเสือ่อมอ้าเบอร์หกจุดห้าบังคับใจอยู่หน่อยๆน่อยรู้สึกไหมยังบังคับอยู่ดวอกไหมใจชื่อให้รู้ทันนะรู้โลกปัจจุบันกันอตอนนี้ หรือได้่ีงชี้อ็อไม่เป็นไรแต่เดินโัษศาสตรก็ เ, เกิดบ่อยแต่มองไม่เห็นหลายคนปฏิบัตินะบอกว่าก่อนจะมาหาหลวงพ่อนะไม่ค่อยมีกิเลสแต่พอมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วกิเลสยิบยบเยืยๆเลยนะทั้งวันเลยบางคนมาต่อว่านะหาว่าเราสอนกรรมฐานทําให้เกิดกิเลสมันคล้ายๆคนไข้ น, นนะเป็นมะเร็งไม่รู้ว่าเป็นมะเร็ง มอไปตรวจเจอแล้วมาโทษว่าเป็นมะเร็งก็หมอตรวจเจอเนเวลาจิตที่มันไม่เคมีสติมันมองตัวเองไม่ออกมันเห็นแต่ว่าตัวเองเป็นคนดีแต่พอเรามีสติเราจะรู้เลยนางมารร้ายอยู่ที่นี่นางมารร้ายอันดับหนึ่งอยู่ที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโหคนไหนที่โลภนะ้วก็เป็นนางมารร้ายสายโลภเดี๋ยวก็อยากโ น, น่นเดี๋ยวก็อยากนี่แต่ละคนไม่เหมือนกัน ดีแล้วที่เห็นกิเลสกิเลสดีกว่าเห็นเทวดานะถ้าส่งต่อไปบางทีที่เบ่อที่ไม่ต้อารจะทำแต่เขากขึ้นเพือจะพยาามทีหรือมก็จะบอกว่าเขาต้องารจะทำเพ่ออะไได้แต่เขาที่ พอแ่ paid, เจอใช่ไมแต่ถ้าตอามผมไปเข้าวที่ว่าอีกวเีก็ีธีเกิดจิที่ถามไปนี่จะถามหพ่อว่าวิธีที่เกิดจิตที่พ่อเคยศึกไปนี่ดีทางใดทางมันเชื่อหลวงพ่ออย่างนั้นะไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีท <az> ี่สุดหรอก กรรมฐานไม่มีสําเร็จรูปนะทางใครทางมันนี่มันอยู่ที่ว่าจริตนิสัยของเราหมอกกับกรรมฐานชนิดไหนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปศึกษาธรรมะเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนอย่างคนที่มาเรียนที่หลวงพ่อที่มีทุกแบบเลยนะมีตั้งแต่หัดสมถาธิออกจากสมาธิมาพิจะะารณากายก็มีนะมาดูกายบางคนก็ดูจิตสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก เพรนเราต้องดูว่าจริตนิสัยของเราเป็นยังไงแล้วเราก็ฝึกกรรมฐานให้เหมาะกับตัวเราเองเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเพราะว่าตามเพื่อนหรือฝึกกรรมฐานเพราะว่านับถืออาจารย์นี้ถ้าทำน่านับถือถ้าอย่างนั้นมันก็คล้ายๆกับเราไปซื้อเสื้อมาตัวนึ่งสอดเสื้อตัวนี้เราชอบมากเลยไปซื้อมาหึตัวนะแล้วมันเสื้อนี้ใหญ่ไปเราก็ต้องพยายามกินข้าวเพิ่มขนาดตัวเราอย่างนี้ไม่ถูกละ หรือเสื้อนี้คับไปแต่เราชอบชอบเลยคับไปเราต้องเป็นอดข้าวให้ตัวผมถ่อเราไม่ได้ดัดแปลงตัวเองให้เข้ากับกรรมฐานนะเราต้องเลือกกรรมฐานที่เข้ากับตัวเราเองฉะนั้นเราต้องดูว่าเราเนี่ยจิตใจของเราเป็นแบบไหนจิตใจของเราเป็นพวกตัณหาจริตหรือเป็นพวกทิฏฐิจริตจริตในการทำนิพพานมีสองจริตคือตัณหาจริตและทิฏฐิจริตพวกเราไม่ค่อยได้ยินแบบนี้ เราได้ยินใจราคะจริตโทสัจริตโมหจริตนี้ไปได้ยินไหมมิตกจริตสัทธาจริตพุทธิจริตปกจริตนี้เอาไว้ทําสมถะในเรื่องอารมณ์ทําสมถะแต่จริตที่ใช้ทํานิพพสนานะเรื่องอารมณ์นิพพานที่สองอันหาจริตคือคนที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบพวกนี้ควรที่จะดูกายและเวทนาพวกพิจิจริตพวกคิดมาก ชอบวิาพากษ์วิจารณ์วิจัยวิเคราะห์ชอบตกเฉียงเจ้าวความคิดเจ้าวความเห็นเจ้ารักที่เจ้าุดมการสป็นใหญ่พวกคนเมืองพวกปัญญชนทั้งหลายจะเป็นอย่างยิ่ยั่วันๆนัน้คิดทั้งวันพวกคิดมากเนี่ยหมอที่จะดูจิตพวกโลภมากรักสุกรักสบายรักเปิดรักง่ามหมอะที่จะดูกายงั้วเราต้องเลือกวะไม่เราจะฝึกด้วยกายหรือด้วยจิต ไม่ใช่เลือกตามอาจารย์นะไม่ใช่เลือกตามเพื่อนนะถ้าเลือกอย่างนั้นเราไม่ประสบความสำเร็จหรอกยากนี่เวลาจะมารู้กายมีเงื่อนไขการรู้กายจะทําได้ดีต้องทําสมถะก่อนจะสังเกตไหมพวกเราที่ไปเรียนสมถารู้กายเราไม่เริ่มจากสมถะอยู่ๆเราก็จะกําหนดรูปนามเลยเพฉะนั้นจิตจะไม่มีกําลังตั้งมั่นไม่สามารถเป็นผู้รู้ผู้ดูกายได้ จิตมีแต่จะถลำมันมเข้าไปเพ่งอยู่ที่กายไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่กายปัญญาจะไม่เกิดจะไปเกาะนิ่งๆเฉยๆเคล็ดๆหนักๆแน่นๆแข็งๆซึมๆชื่อๆอยู่อะไรจิต ท, ท, ที่หนั ก, นกจิ ต, ท, จตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ชื่อเป็นอคติโทรถิตจิ ต, จตที่เป็นกุศลมีความเบาละบุตตาเบามีมุตุตาห่อนโยนนุ่มนวล มีกรม ญ, ญาตาควรเกิดการงานไม่สุกิเลสครอบงำยังแค่เราอยากปฏิบัติกิเลสครอบงำนะอยากกําหนดกิเลสครอบงำจิตที่เป็นกุศลมีตาคุณตาก ร, ร้างแคล่งปราดเปรียวแต่จิตตองเราเวลากําหนดลงไปจะชื้อชื่อสุ่มสุมนิ่งนิ่งเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะเราไม่รู้ลักษัลักษณะของจิตเนียเราจะไปโลงสร้างกุศลจิต ที่ทำยังไงถ้าเราจะหัดรู้กายได้ชนี้กิชนาญเกิดจริตเราเป็นพวกตันหาจริตเราต้องทาความสงบขึ้นมาก่อนทำความสงบเช่นเราหัดรู้ลมหายใจไปแล้วก็สังเกตร่างกายที่หายใจนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ ถ, รถูกดูใจเป็นคนรู้คนดูร่างกายนี่หายใจในที่สุดเราจะแยกได้จิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเลยรูปที่พองรูปที่ยุบนี้ไม่ใช่ตัวเรา จิตจะไม่ไหลไปเกาะอยู่ในฟองนะจิตจะดูอยู่ห่งหางๆจะเห็นเลยรูปที่ยืนเรินนั่งนอนรูปที่ยกรูปที่ย่างรูปที่เหยียบแต่เป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูก ด, ดูไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดจิตกับกายจะแยกกันมันจะเห็นกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้กายมันนั่งใจเป็นคนรู้กายมันยืนกายมันนอนใจเป็นคนรู้มันมีการแยกกายกับ แ, แยกใจออกจากกัน แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิหนุนหลังคอนะมันจะไม่แยกกายแยกใจจิตมันจะไหลเปล็นรวมอิสระกายอย่างเดียวมันจะกลายเป็การเท่งกายไม่สามารถทําวิปัสสนาได้จริงจริงเพราะฉะนั้นการทําวิปัสสนาด้วยการรู้กายไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องทำสมาธิหน่อยให้ใจตั้งมั่นแต่ถ้าจะทําวิปัสสนาดูจิตอันนี้เหมอะกับพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยทาสมาทานไม่สําเร็จหรอก ส่วนใหญ่ในห้องนี้ทำสมาทานไม่ได้ยกเว้นพวกชาวเชียงใหม่นี่นะสมาทานจะเก่งส่วนใหญ่จะทําทสมาทานไม่ได้ใจมันจะฟุ้งต้านไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเข้าไปเลยดูจิตใจกันจิตฟุ้งต้านให้รู้ว่าฟุ้งต้านจิตสงบหรือว่าสงบจิตเป็นสุขรู้ว่าสุขจิตเป็นทุกข์รู้ว่าทุกข์นะจิตโลภรู้ว่าโลภจิตโกรธรู้ว่าโกรธจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอยังไงหัดดูไปเรื่อย ถ้าเราไปทําสมาธิก่อนก็ไม่มีจิตตุ้งต้านให้ดูมีแต่จิตสงบไม่มีจิตที่มีราคะมีแต่จิตที่ไม่มีราคาเะฉะนั้นถ้าเราทํำสมาธก่อนเราจะดูจิตได้ไม่ดีแต่เราต้องดูไปเลยนะแล้วสมาธิเกิดทีหลังอันนี้เป็นปัญญานําสมาธิคือเส้นทางเดินมันเลยมีสองสายสายหนึ่งใช้สมาธินําปัญญาอันเนี้ทําสมาธิจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมาดูการ เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนฟูเหยียดเหนีย่ยวซ้ายแลกขวาล้วนแต่เป็นรูปไม่ใช่ตัวเราอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่ติจิตให้ดูจิตตั้งไปเลยเห็นในจิตนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆทั้งวันแล้วใจอยากตั้งมันขึ้นมาเองเรื่อทางเดินมีสองสายนะไม่ใช่ว่าสายใดดีกว่าสายใดนะแต่ละคนมีทางเฉพาะตัวเองไม่ใช่ดูจิตต้องดีนะ ดูจิตน่ะดีสำหรับพวกคิดมากดูกายก็ไม่ใช่ดีเสมอไปดูกายดีกับพวกโลภมากพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเบอร์ห้าตอนสง่งไมให้เพื่อนลืมเป็นรัฐรู้สึกไหมลือไปคุณ ล, ลองปับนิดนึงนะเมื่อเช้ามาทันไหมมาฟัางหลวงพ่อทันไหมช่วงเช้ า, ลาหลวงพ่อปวดนิดนึงคือสติเนี่ย จริงๆสติแปลว่าความระลึกได้สติไม่ได้แต่ว่ากำหนดสติในพระใจพิดกแแ็แปลว่าความระลึกได้แต่เราชอาไปกำหนดกำหนดเราไปคิดว่าการกำหนดคือสติเพราะสติถ้ากำหนดนะจะกลายเป็ น, ใในการขี้งไม่ได้สมะถะถ้าสติสักว่าระลึกรูอ้อารมณ์นะจะทำํำวิปัสสนาได้สมาธิก็ไม่เหมือนกัน สมาธิที่จิตเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์เช่นเวลาเราดูท้องผ่องยุบแล้วจิตเข้าไปแช่ไว้ที่ท้องเวลาเราเดินทรงรมยกเทา้ายั้งเท้าจิตไปแช่อยู่ที่เทา้าเนี่จิตแช่ในอารมณ์ที่เป็นแบบหนึ่งนะ น, นี่ลักษณะนี้ทาสมถธิเป็นการเพ่งเข้าไปเกาะตัวอารมณ์สมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ไม่ใช่ตั้งแช่ฮนะจิตตั้งมั่นหมายถึงจิตอยู่ต่างอารมณ์อยู่นี่จิตอยู่นี่รูปกับนามเนี่ยแยกกัน จิตกับเจตสิกจะแยกกันจะเห็นแยกกันได้ถ้าอย่างเนี้มันจะเห็นในรูปเคลื่อนไหวไปนามธรรมาตั้งหลายเคลื่อนไหวไปจิตใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่ตะหนักจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแยกอยู่ตะหนากเนี่ยตั้งมั่นอยู่ตะหนากเรียกว่ามันมีสัมมาสมาธิจิต ท, ที่ตั้งมั่นกับจิต ท, ที่ตั้งแช่ก็เลยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตฟูต้านหลวมไหมจิตไหลไมีเยอะไป หนีไปนอกห้อเรียนใจไหลแวบอีกแวบหนึ่งทราบไหมให้คอยรู้ไปเรื่อยๆนะรู้สถาวะอะได้ยอ่ะเบอร์3ามก็คือเอ่อคอการเสียพ่อที่เพียรความดีไดแล้วก็เลยอยากมาเห็มารรับ ก็เลยโดนเจ็บก็ไม่ไม่ได้โฟกอะก็วลาเหอชีวิตอืมไม่รีบนะแต่ว่าเดี๋ไม่ใช่ว่าไม่เริ่มนะแต่ต้องเริ่มตามรู้กายตามรู้ใจของเป็นเลยเพราะอไรเพราะว่าการที่เรา่อยรู้กายรู้ใจเรามีสติเรามีความสุขในทันขนาดนี้เลยเรื่องอะไรเราต้องสัดวันประกันชู่เพื่อไปรอเอาความสุขในอนาคต เราหัดมีสติอยนูนี้เรามีความสุขอยู่นี้เลยน ะ, ะสติปัญญาเนี่ยต้องใช้เวลาบ่มค่อยๆพัฒนาเหมือนเล่าอ่างุ่นนะต้องใช้เวลาบ่มนานๆหน่อยถึงจะหอมหวานไม่ได้ชวนกินเล่านะ <c oughs> ก็ไปอ่านหนังสือมัก็จำสิ่งทีงง่เคยกินหรอกเล่าอ่างุนนะนะไม่ชอบกินเล่าถ้เาเบอร์แปดสิบเมตร้นมคก็ขอความรู้สึก เ, <c oughs> เออมาฟังเปงน็นการส่งไป หลวงพ่อชอบมากเลยคนไม่ไม่คุยกับหลวงพ่อยอะเลอเกนอคือทอะไรที่เกิดาที่เราอภาวะผาิดที่รมคอะไร่ี่าืองที่ทที่เกิดที่เราภาวะาิดที่เรา คิดว่าดวงเนี่ยคำที่มันประกาศให้เราเนเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้กำหนดนี่ไม่ใช่เรารดได้เลยไม่ต้องกําหนดนะทําเกิดตลอดอยู่แล้วแท้จริงแล้วธรรมะเนี่ยแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนนะไม่ได้เคยหยุดเลยธรรมะแสดงอยู่ที่กายกับใจ อ, อย่างธรรมะถ้าเราดูจิตเนี่ยธรรมะก็แสดงอยู่ที่จิต คือมันสแสดงความไม่เที่ยงเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงร้ายเดี๋ยวปรุงสูงเดี๋ยวปรุงตุ๊บเดี๋ยวปรุงความเฉยๆยความว่างๆ่งหมุนเว็ยนเปลี่ยนแปลงไปให้เราสักว่ารู้สักว่าเห็นนะไม่ใช่เพื่อเอาอันใดนหนึ่งนะเ อ, อเราจะดูแบบไม่เกี่ยวข้องอะ่ะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนได้เสียดูไปเรื่อยจนกระทั่งปัญญามันแจ้งเลยว่าทุกอย่างนี้ไม่มีตัวเราสัก อ, อันเดียวเลยธรรมะจะเกิดมันก็เกิดนะจิตที่จะไปรู้ธรรมะมันก็รู้ของมันเองบางทีมันก็ไม่ยอยาบรู้มันไปรู้เรื่องอื่น เราเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้เรียนไปจนวันหนึ่งจะเห็นว่นาจริงๆแล้วตัวเราไม่มีหรอกตอนนี้จิตเล็กไปยังไงอ๋อขนาดเนี้ยแข็งๆอยู่หน่อยนึงดูออกไหมครับยังบังคับไว้อย่าบังคับไว้แค่รู้นะไม่ห้ามมันหรอกอย่าไปจงใจมากไปตั้งใจเยอะไปก็ไม่ได้นะปฏิบัติตั้งใจเยอะไปกลายเป็นโลคเลอยากรู้เยอะ อยากรู้ตลอดอะไเงี้ยไม่ดีรู้เท่าที่รู้ได้รู้สบายๆผ่อนลงกว่านี้นิดหนึ่งทำให้สบายกว่านี้นิดห<อ>นึน่งแข็งไปไ ม, มีอะไรไหมไม่มีไม่มีสัมสนแต่ยังแข็งเท่าเดิมเลยเทกอมีแครั้วแจะอม่ี่ลแต่ว่าสารธรรมพูดเนี่ย มันก็เป็นธรรมะของอาตมาฟังเพื่อจะได้รู้วิธีที่จะไปดูธรรมะในใจของเราเองธรรมะเป็นของเฉพาะตัวรู้ได้เฉพาะตัวนะธรรมะของใครของมันเอาไปยกให้กันไม่ได้ ม, มาฟังหลวงพ่อพูดเพื่อจะได้หัดรู้รู้วิธีที่จะรู้ธรรมะในใจของเราได้เองเมื่อไรสติตัวจริงเกิดเนี่ยเราจะเห็นธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดวันแสดงตัวทั้งวันทั้งคืนเลย เราก็จะเป็นแค่คนรู้คนดูไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นไหมทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นธรรมะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยเพราะอะไรเพราะธรรมะที่เราเห็นในช่วงนี้ยังเป็นธรรมะที่เป็นไส้สังขารธรรมเป็นสังขารธรรมยังไม่ใช่วิสังขารธรรมแล้นเราก็ดูความเปลี่ยนแปลงดูความเคลื่อนไหวโยมมานั่งอยู่ชั่วโมง ก, กว่าโยมรู้สึกไหมจิตใจของเราเนี่ยทํางานตลอดเวลาโยมรู้สึกไหม นั่นแหละดีนะนั่นแหละธรรมะของจริงของโยมเฉพาะตัวของโยมเองนะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเคลื่อนไหวจิตใจเราเปลี่ยนแปลงโยมรู้สึกไหมเดี๋ยวมันก็ฟังเดี๋ยวมันก็คิดโยมรู้สึกไหมจิตจะฟังหรือจิตจะคิดโยมก็เลือกไม่ได้มันทํางานเองนะเราจะดูไปได้จนเรารู้เลยเพราะว่ามันทํางานได้เองไม่มีตัวเราเลยทํางานได้เองล้วนๆเลยหัดรู้หัดดูบ่อยๆ โมวันนี้หลวงพ่อเก็บได้หมดชราแล้วเป็นตากรวการใหม่วันเื่อนไม่ไหวอะไปติดหลังห้องเนี่ย ว, วันนี้่อตรวดเชิญยงกับบ้านเดี๋ยวรลงพ่อสอบกับก่อน